ไปก็จะได้แสดงธรรมะปฏิบัติให้พวกเราที่สนใจในธรรมทางความสงบจิตใ จ, จ, จเฉยเดินสติปัญญาได้สดับรับฟังให้ทางใจกันให้เป็นให้ได้ประโยชน์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระว่าโตอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวุทธัสสะพระว่าโตอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธายะตริติโอคังอปมาเดนะอัญญาวังวิริเยนะทุกขมะเจติปัญญายะปริสุจัตติติก็นั่งฟังทำกันทั้งใจนั่งนั่งนั่ง <laughs> ทำความสงบแล้วก็ฟังธรรมที่ที่ได้ยินได้ฟัง mm hmm. ก็จะเกิดประโยชน์อย mm hmm. ่งที่มีอย่างที่มีพระบาลีแสดงว่าสุสูสังแล้วก็เทปัญญางัญญาญาภิสุทธิ์เชติ mm hmm. ก็หมายความว่าฟังดีๆก็จะเกิดปัญญาหมายความว่าปัญญาจะเกิดปัญญาที่นี่หมายความว่าปัญญาที่ถูกต้อง ปัญญาให้เรารู้จักบาบุญคุณโทษรู้จั ก, จกมรรคผลนิพพานรู้จักใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาต่างๆทงๆงั้งทางดำานินยชีวิตในโลกหรือทางมรรคผลนิพพานเ ร, เราได้ฟังทำด้วยดีเกิดปัญญาอย่างที่ว่าสุสุสังะระพเทปัญญังอันนี้เมื่อเมื่อฟังเข้าใจปัญญาเกิดปัญญายาไปสุดชติ หรือว่าปัญญาจะไปสุดเฉติติก็คือจะถึงความบริสุทธิ์หมายถึงว่าถึงนิพพานนั่นเองหมดกิเลสอสวะคือหายสงสัยก็แต่ว่าสําคัญว่าจะฟังเข้าใจไหมพอฟังแล้วปัญญาเกิดไหมนั้นตรงนี้เราถึงได้ต้องได้ยินได้ฟังตั้งใจฟังให้มันแล้วก็ทำมาวิจยะคือวิจัยวิจารณดูในสิ่งที่เราได้ยินน้อมมาใส่ตน ได้วความตั้งใจได้วความโดยการเป็นสมาธิคือการถูกต้องในในปัญญา <c oughs> เป็นสมาธิก็คือการที่เรารับฟังให้มันแน่วแน่นี่แหละสมาธิในการฟังธรรมแต่สมาธิที่สงบนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือสงบลงไปเป็นเป็นหนึ่งเป็นฌานนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสงบโดยฟังธรรมอย่างแน่วแน่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราะนั้น ตรงที่เราฟังทมอย่างแน่วแ น, น่เห็นเห็นเหตุเห็ น, หนผลในธรรมที่ฟังแล้วเกิดผลเกิดปัญญาอย่างที่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเข้าถึงได้ง่ายไม่รอต้องเกิดจิตสงบก่อนบางทีคนเราภาวนาสิบปีก็ไม่สงบมันเฉียดไปเฉียดมาอย่างนั้นแหละลม้มลุกคลคคานอย่างนั้นถ้าเรามาสนใจฉันทะสนใจในธรรมในการที่จะเกิดความเข้าใจเราก็มายกมาพิจารณา พาวนาได้มันเห็นจริงมันมันยอมรับปัญญาเกิดพ้นทุกไปได้เลยก็มีเพราะว่าเรากำลังหลงสิ่งไม่ไม่จริงเรากำลังหลงสิ่งไม่มีเราก็ถูกกำลังถูกโฆษณาชวนเชื่อแล้วว่าหลอกหลอกเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า ทำไมว่าหลอกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันในใ น, ในความหมายจริงๆของของธรรมะของที่พระเจ้ตาตรัสรู้มันเป็นสมมุตินะเราต้องมาต้องมารูปความหมายใหญ่ๆเลยที่มันเป็นความหมายในในก็คำว่าสมมุตินี่ยมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเมื่อเรายังอยู่ในสมมุติกันแบบเป็นประจําโลกเนี่ยเพื่อนด้วยเรายังไม่เกิดปัญญาที่จะพ้นไปได้เราก็ถือว่ามันกําลังหลอกเราทุกสิ่งทุกอย่างเลย ในสิ่งคาว่าหลอกทุกสิ่งอย่างมันก็ไม่มีอะไรจริงแต่เราพยายามจะว่าจริงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราเรียกว่ามันหลงหลงมากหลงทนัดถนีหลงไปจนไม่จบไม่สิ้นหลงไม่เรียว่าเห็นเขาเรียกว่าเห็นกองจากเป็นดอกบัวอะไรเมือน่ะเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นอะไรเนี่ยเห็นกองขยะเป็นเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรไปนั่นตรงนี้เรากำลังไม่ตื่นตัวเรากำลังเป็นไปกับโลกกระทำ เรากําลังไม่ได้ความจริงแท้นั้นความจริงทั้งปวงของเราที่วาดปั่นมันก็ยังเป็นสิ่งหลอกลวงหลอกหลอนปั่นปยอยยอยกแล้วก็สุดท้ายหาหาสาระอะไรไม่ได้เรายังย่าไปพึงแน่ใจกับสิ่งที่สมมุติเพียงเรายังมองสมมุติไม่เห็นตลอดอยังแยกแยะไว้ด้วยความหลงว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นไปได้สุดท้ายก็ความแก่ครอบงำความเจ็บป่วยครอบงามงความตายครอบงำ อา น, นิจังอนัตตาทุกขังก็อยู่ในนั้นพร้อมเมื่อเมื่อหลงทุกขังเนี่ยจะมีมันก็จะมีเหตุมาจากมันจากอา น, นิจังแล้วก็อา น, นิจังทุกขังมันเกิดก็เพราะว่าเข้าไปยึดถือด้วยอวิชชานั้นเราพัวนาปฏิบัติกันเราต้องรู้ให้ทั่วรู้อย่างที่ว่าเนี่ยรู้ว่าเราหลงนี่แหละรู้พูดมาพูดกันเรื่องสมมุติเนี่ย มันก็ถึงจะชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรไม่งั้นเราก็จะเห็นผิดพอเห็นผิดคนผิดเห็นผิ ด, ผดทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาก็ ก, ก, ก็ลมเหลวนั่นถึงจริงว่าถ้าหากว่าเราไม่มาพิจารณาธรรมะที่จะเห็นความจริงสำมะปัญญาเนี่ยมันจะเริญมนิพพิจนาเจริญ ส, สติเจริญสมาธิเพื่อออกจากอาวิชชาออกจากอาวิชชานั้น่จึงจะออกได้จริงเพราะอาวิชามันเป็นต้นตอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฐมเหตุอวิชชาคืออะไร อวิชาคือเรากําลังหลงว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอะไรพุทธเจ้าได้จําแนกแยกแยะแล้วด้วยปัญญาที่เห็นชอบสัมมาปัญญาลงที่ดินน้ําลมไฟกระดูกเราในปฐวีธาตุธาดินดินดินคือดินนอกนอกดินทั่วไปก็ดินก็ดินกระดูกเราก็อยู่ในธาตุดินแต่มันมาในรูปของเราในรูปหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปยึดเวลามันอยู่ในรูปต้นไม้ก้อนหินเราไมเห็นยึดอะ กูทนั่นเนี่ยเนี่ยมันหลงไงเรามายอมรับความหลงกันบ้างเราจะเห็นความหลงพอเห็นความหลงเลิกหลงจบกันเลยอะไรอะไมันก็ไม่มีไม่มีเรื่องดึงเราไปเรื่องนั้นเรื่องนี้โครงการทั้งหลายจบเลยโครงการทั้งหลายเป็นศูนย์เลยถ้าเราลงลงที่ว่าวิชามันดับดับวิชาไม่ให้วิชามันเป็ น, นกลไกต่อมาเน้นเราึต้องย้อนเข้ามาดูที่เรายึดเนี่ย มันเป็นอะไรบ้างพระเจ้าก็ค้นหาจนเห็นแล้วทรงพระองค์เห็นว่าเป็นดินน้ําลมไฟเป็นธาตุใหญ่กระดูกเป็นปฐวีธาตุธาน้ําก็เป็นอาโปธาตุธาตลมก็เป็นวายโอธาตุธาไฟก็เป็นโตชเตโชธาตุธาตุทั้งสี่นี่คือมหาพูตรูปที่มันอยู่ในโลกนี้แหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธาตุใหญ่ก็เรียกมหาธาตุใหญ่คือดินก็ใหญ่น้ําก็ใหญ่ลมก็ใหญ่ไฟก็ใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้เยอะแยะมากมายเป็นพายุเป็นอะไรนี่ยดินน้ําลมไฟเวลาฝนตกปั๊ แลบเข้าเข้าไมดินก็มีบนนั้นน้ําก็มีบนนั้นลมก็มีบ น, นันไฟก็มีบนนั้นเวลาฟ้าฟ้าแลบเห็นไหมธาตุไฟเวลามีพายุ ก, ก็ป็นธาตุลมเวลาที่ว่าฝนตกอยู่นั้นก็เป็นธาตุน้ําความอบอุ่มที่มันกาะเกี่ยวกันอยู่ทั้งทั้งสามอย่างก็คือก็รวมเป็นธาตุดินคือไฟน้ําลมผสมประสานกันเรียกว่าธาตุดินเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราอยู่อยู่ตรงไหนเราจะทุกข์อะไรเราจะเห็นผิดได้ไหม มีอะไรค้างคามีอะไรที่มันน่าเพเดินในโลกเรายึดเรามาได้อย่างไรมันฉลาดขนาดไหนจริงยึดเราที่ไม่ใช่เราได้เนี่ยมันก็จะเกิดการตื่นตัวขึ้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าปิดประตูตีแมวแล้วหมายความว่าเราจะทันกิเลสตัณหาอสะวะที่มันแล้วไปแล้วก็แล้วไปเถอะพอรู้ไม่ทันไงตอนนั้นง่อยเปียเสียขาอยู่ก็เลยวิ่งตาม ฆ่าศึกศัตรูไม่ได้พราะตอนเรยวแรงกำลังดีเป็นนักวิ่งแล้วก็ต้องจับขโมยได้กระโจนได้คือรู้เท่าทาันกิเลสใช้ปัญญาพิจนาแล้วเราจะเสียเวลาไปทำไมเราก็จะเข้าถึงสูปเรื่องธรรมะเรื่องพุทธะเรื่องพันธิพาลเรื่องสิ่งที่พระเจ้าตารัสรู้ที่ทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็อยู่ในถิ่งที่บอกว่าฟังให้ดีจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดเราจะถึงความบริสุทธิ์ เมื่อเราเห็นได้ถึงที่สุดๆดแล้วที่สุท้ายอะไรมันก็จะเข้าใจได้ง่ายทําบุญทาทานเข้าใจได้ง่ายเราทําบุญกันทําบุ ญ, ท, บญทําทานกันก็เพื่อลั ก, กิเลสทั้งหมดเพราะว่ากิเลสมันเป็นต้นเป็นตอเป็นปัญหาการทําบุญก็คือลําเลียงกิเลสออกโดยการให้ทานมันก็รู้จักว่าเบาบางซะบ้างออกไปไหลไปออกไปเบาไปจะทําได้ไม่ง่ายนะ บางทีจะทำร้อยก็ทำห้าสิบจะทํำพันก็ทำห้าร้อยก็ยากบางทีคิดจะทําแล้วไม่ทําก็มีฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายที่เราจะมาให้มันเบาบางดังการที่ผู้มีผู้มีรู้จักทําบุญนําทานต่างๆก็มีความสั่งสมให้ทานในศีลต่างๆทํามาไม่นิสัยเราจึงให้ทานได้ไม่ยากรักษาศีลไม่ยากทั้งทั้งที่ที่จริงแล้วทานศีลต่างๆนี้ ก็คือภาวนานั่นเองเพราะว่าภาวนาก็เพื่อลักิเลสการให้ทานก็เพื่อลักิเลสรักษาศีลก็เพื่อลักิเลสกิเลสก็คือการทําผิดในนั้นแหละในการตณีมันก็ถือว่าทำบุญําทานไม่ได้มันก็เรียกว่าไม่ย้อนใช้หนี้ไงถ้าหากว่าเราหลงมันเป็นคุหนี้ใหญ่พอหลงแล้วไม่ไม่ใช้คือไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักน้าออกมันก็มันก็มีแต่จะต้นโตต้นขึ้นดอกขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีการให้ พอเรารู้จักกรมเรียงเหมือนน้าในถังใ ห, ใหญ่ๆถ้ามันมีรูรั่วบ้างแม้น้อยมันก็ยังค่อยซึมไปถ้าหากว่ามันไม่มีที่ซึมเลยมันมีแต่เติมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเห็นไหมล่ะเราก็เลยลำ ร, รวยกันอยู่ในกีเลิเราก็เลยอ่อนล้าอ่อนแรงด้วยธรรมะที่ไม่มีกําลังวังชาจะแก้ปัญหาอะไรเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเป็นเรื่องขึ้นมาไหมสาระทุกวันเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเป็นเรื่องขึ้นมาไม่รู้อะไรเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องอะไรพอโตมามีแต่เรื่องไหม มีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยพอโตมากก็มีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้ทุกอาของเล่นอยากนั้นอยาน่างนี้อยากแข่งขันกันไปใหญ่เลยนะพอโตขึ้นมาก็ไปแล้วหญิงไปหาชายชายไปหาหญิงบุ่นวายไม่ไม่ได้ไม่ไดเดามากําหนดจดจํามันไปเหมือนว่าเหมือนว่าเป็นรูปแบบของน้ําไหลาตามสายไฟไปตามสายคือมาเกิดมาก็ไปตามโลกเลยไม่มาคิดไม่มาลูไม่เห็นโทษไม่ปฏิบัติครวนี้ปัญหาเพราะปัญหามันมากมา ก, มากแล้วแก้มไม่ตกสิเห็นไหม หาทางออกฆ่าตัวตายอะไรตัวตายเราก็เห็นเออเขาไม่น่าทาเลยแต่ถ้าไปถึงวันไหนเราเหมือนเขาก็คงจะทำเหมือนกันนี่เพราะว่าไม่มีไม่มีสิ่งต้านทานไม่มีสิ่งเข้าใจไม่มีสิ่งที่เอามาพิจารณาคือธรรมะอันเราจรึงต้องมาเรียนรู้โลกรู้ความที่เรายังไม่เข้าใจเราเนี่แหละเราเป็นเราโดยที่ไม่เข้าใจเรามันจะเป็นอย่างไรเรานี่มันจะไปไหน นี่คือไม้ทำไมว่าไม่เข้าใจก็คือว่าอย่างที่บอกพุทองค์เห็นแล้วบอกว่ามันเป็นดินน้ำลงไฟเราก็ยังไม่ยอมรู้เนี่ยเมื่อเรายังไม่ยอมรู้ดินน้ำลงไฟยังเป็นเราได้ทําไมโกรธลงหลงจะไม่เป็นได้โกรธลงหลงก็มาจากที่เราถือตัวตนนี่แหละก่อนถ้าตัวตนไม่ถูกเข้าไปเรอุปทานไม่มีในนี้ธาตุมันก็เป็นธาตุไปธาตุมันรู้จักเราไหมเนี่ยเนี่ยที่เราว่าเป็นเราเนี่ยมันรู้จักเราไหมผมก็ไม่รู้จักเราคนไม่รู้จักเราที่ว่าเราเไม่รู้จักเราเลยไม่รู้จักเราเลยแต่ว่าก็ยังหลงได้ อันนี้ยแสดงว่าเราน่ะเราไม่เข้าใจตัวเราเพราะไม่เข้าใจตัวเราอย่างว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เลยไปถึ ก, กระตามปัญหาที่เ็าเรียกว่าโลกธรรมนั่นนี่แหละให้เราสนใจมามามาปฏิบัติธรรมมาพิจารณาธรรมมาดูตัวเราจนเข้าใจเรื่องปฐมเหตุคืออวิชชาแล้วก็ไปดูที่ดินน้ำลงไฟให้เข้าใจแล้วไม่เอาดินน้ำน้ำไฟมาเขามายึดถือจน พอมันยิตปั๊บมันก็เกิดโกรธเกิดโลำเกิดหลงได้ตรงนี้ที่ว่ามันจะจะจะหลงต่อหรือจะหยุดการหลงแล้วทุกจะดับที่ว่าถึงนิพพานได้ปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังอะนิพพานไปสุขอย่างยิ่งแต่นิพพานนั่นก็เป็นของยากนะพระพุทธเจ้าบอกนิพพานังปรมังวัดันติพุทธานิพพานเป็นของยากยิ่งผู้รูทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นของยาก นิพพานังนิพพานะข้ามนางมะขังขีปมเมวิโสทะเยให้ท่านทั้งหลายเรี่งละจังละตัดทางไปนิพพานนะเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระองค์แสดงไว้ในบทที่สําคัญนี่คือว่าพระองค์บอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังบาลังสุขังแต่นิพพานก็ยากยิ่งนะที่จะรู้นิพพานนังปาลังวัดันติพุทธารู้ยากมากๆพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าว่าเป็นของยากพุทธเจ้ายังว่ายากแล้วเราจะว่าง่ายได้ไหมเห็นไหมฉะนั้นเราจะต้องมาสนใจมา มาแยกแยะมาทําวิจัยวิจารณ์ดูดินน้ําลมไฟดูความหลงออกจากความหลงให้หมดให้มันเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟที่มันไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่วุ่นวายไม่ท้อทุบแว้งไม่อยากหยุดอยากพอพอแล้วจิ้มแล้วโล่งเลยคขเนี่ยโล่งเลยไม่ไม่มีงานให้ทําเลยพระเจ้าถึงว่าพอพอเห็นเนี่ยมันหมดงานหมดการแล้วแต่ที่เรามีงานเนี่ยมันงานโลกงานถูกบังคับถูกที่ว่าไม่มีทางออก ก็ต้องเป็นงานที่เราต้องทำกันนี่ก็ใช่งานนี้ชัดต้องทำไม่ทำก็ไม่มีกินไม่มีอยู่แต่ที่งานดีกว่านี้มันมีไปถึงงานที่มันทำให้ธุรกิจหลอกนี่มันจบลงที่ว่าเรามาเหียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นโลกมายาโลกที่มีสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริงว่าทุกข์ก็มันอยู่ปายเหตุนะอันนี้จังก็ปายเหตุทุกข์ก็ปายเหตุต้นเหตุมันคือวิชา เพราะว่าเข้าไปลงยึดไงที่ว่าเข้าไปลงยึดแล้วมันดึงดินน้ําไฟเป็นเราปั๊บพอดินน้ําไฟเป็นเราได้ปั๊บแล้วโกรธลุกหลงมันมีแล้วก็เมื่อก็เกิดหลงกันเต็มภูมิเต็มที่แล้วมันก็เป็นเผ่าเป็นพันคือทํากรรมกิเลสกรรมวิบากก็เกิดขึ้นเนี่ยวัตตะวัตตะสามก็คือกิเลสกิเลสที่ว่ากิเลสก็คืออะไรกิเลสความเศร้าหมองออง่ายๆท่านบอกว่าความตีเสมอหัวเดือเนี่ยลูกดูบุญคุณท่าน ว่ายากสอนอยากหัวดื้อประมาทเลืนเลื่อเนี่ยกิเลสเรียกกิเลสอุปกเกเรสเครื่องเศร้ามองไปหาคนดูกิเลสเครื่องเศ้ามองจะมีคําว่ากิเลสก็คือสิ่งที่มันเลืนเลื่อประมาทมัวเมาหัวดื้อแข็งดีลบดูบุญคุณท่านความหมายพวกพวกเนี้ยเรียกกิเลสทําให้เศร้าหมองตอนนี้พอมีกิเลสมันก็ทํากรรมเรียกกิเลสกรรมกรรมก็คือเนี่ยเรา เราผิดศีลผิดธรรมผิดศีลห้าผิดศีลแปดผิดศีลสองรอยี่สิบเจ็ด 7, อะไรนี่ผิดสิ่งที่เราถือถือเราผิดแล้วมันก็เป็นกรรมมันไปทางสิ่งที่ห้ามทําไมถึงห้ามเพราะว่ามันเป็นโทษโทษเขาโทษเราข้อหนึ่งก็โทษโทษเราโทษ เ, เขาข้อหนึ่งก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยก็จริงๆแล้วเราเราพูดเหมือนเราเคยเห็นมันเป็นธรรมดามันก็ใช่แต่เพราะถ้าพูดถึงความจริงแล้วไม่มีใครอยากตายนะไม่มีใครอยาก นั่นนะมดแมงนกหนูมันก็กลัวตายเวลามันร้องแล้วจะตายมันก็ร้องไก่อะไรเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เขาไล่ตีไล่ฆ่ามันมันก็ร้องวิ่งคนก็หาจับเอามากินจนได้มากินแล้วมันมองไม่เห็นความจริงแต่ละคนก็ทุกข์ทางนั้นทำไมเบียดเบียนเขาอีกแต่ว่าไม่ได้กินคงไม่ใช่สัตว์ใหญ่มันก็กินยากินอะไก็อยู่ได้มถ้าเรามาเห็นความจริงแท้มันโดยก็เข้าไปเห็นว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งที่หลงกันแล้วก็หลงทําบาปทํากรรมไปเลยเลยมันเป็นความหลงแล้วมันจะเป็นกรรมไหมันก็เป็นมันก็เป็นกรรมหลงอ่ะพอเราหลงมันก็เป็นกรรมเป็นบุญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันก็เป็นขึ้นมาตามความหลงถ้าไม่หลงมันถึงหมดกรรมไงมันหมดกรรมมันว่าพอหมดการเข้าไปปรุงแต่งกรรมกรรมนั้นก็ไม่มีเจ้าของกรรมนั้นก็ไม่อยู่ในผลของผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วพ้นแล้วเพราะผู้ที่เห็นเขาเห็นการพ้นจากตัวตนรูปนาม เหมือนคนตายแล้วไม่มีใครทวงหนี้ได้เหมือนกันถ้าเราเห็นถึงอนัตตามันก็สลายสลายรูปนามสลายการสัญญาก็ดับหมดมันไม่มีเชื่อมต่อเหมือนโทรศัพท์ไม่มีขึ้นติดกันและถ้าเห็นขึ้นมาอย่างนั้นน่ะมันหมดสัญญาณสัญญาอะไรหมดสื่อสารติดต่อกันไม่ได้เลยเกิดแก่เยับตายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่เราเห็นถึงอย่างนั้นหรือไม่จะจะกล้าเห็นกันไหมเนรธทําหรือยังสิ่งที่พูดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะแต่เพียงว่าเราเข้า เข้าสู่ความหมายความแนวทางเหล่านี้กันยังไม่ได้ ท, ท, ทั้งทั้งที่มันเหมือนง่ายที่สุดอย่างที่ยกว่ามันเป็นสมมุติทั้งหมดเลยสมมุติมันมีอยู่นะบุญบาปอะไรก็มีแต่มันมีโดยโดยสมมุติที่ว่าโดยเราหลงเมื่อเรายังไม่เห็นจริงก็อย่างอย่างที่ว่าเราเห็นดินน้ำลงไฟเป็นเราได้ทาไมทำไมจะเห็นทำไมจะโกรธรูปหลงวุ่นวายตายเกิดไม่ได้มันมีทุกอย่างท้่ที่หลงมีตามสมมติ ท่านยิงแสดงไว้ในหลักทับว่าสมมุติมีสองอย่างในมันสมมุติสมมุติน่ะมีกอมันมีสมมุติสัจจะแล้วก็ปรามมัสสัจจะคือความจริงสองอย่างสมมุติจะมีอันเดียวนั่นแหละคือสมมุติสัจจะคือที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์โดยสมมุติเนี่ยเป็นเขาเป็นเราเป็นเกิดเป็นตายเนี่ยเรียกว่าสมมุติสัจจะแล้วปรามมัสสัจจะคือเห็นความจริงจนไม่ได้เอามาประกอบการอีกไม่เอามาปรุงแต่งอีก ก็เป็นเรียกว่าเป็นนิโรธเป็นวิมุตต์เป็นอสังคตะไม่มีการแต่งปรุงเป็นวิสังขารไม่มีสังขารรูปนามกายใจอะไรทั้งหลายแล้วไม่มีไม่มีอะไรขึ้นมาไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรากฏมันจบเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเห็นเห็นสิ้นการปรุงแต่งสิ้นทบสิ้นชาติตรงนี้มันดีดีกว่าที่เราต้องมารอความแก่ความเจ็บความตายแล้ว ย, ยังไม่จบสิน้นแล้วไม่จริงด้วยแก่เจ็บตายที่ไม่จริงด้วยแต่เราก็ว่าจริงอ่ะ เราเลยหลงหลายชั้นมากแก่เจ็บตายที่ไม่จริงแต่กละบอกว่าจริงเนี่ยแต่พระเจ้าเห็นไปจนว่าแกเจ็บตายนี่มันไม่จริงแล้วไม่จริงกับมันนี่ยจริงเกิดการตัดสู่จึงเห็นความจริงยังเห็นหน้าตาจริงเหล่านี้แหละอยากจะให้เราทําความเข้าใจให้มันเกิดกับตนเพราะมันเกิดขึ้นมาขึ้นมาไปจริงๆเข้าไปแล้วนี่มันจะเข้าใจหมดที่บอกบุญเน่ะ เราก็เพื่อชำระกิเลสกันนั้นทําบุญทําอะไรทุกอย่างอะ่ะมันลำะกิเลสได้หมดนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจได้ไหมถ้าจะเปรียบมันว่าการที่คนจะตายตายด้วยตายด้วยได้โดดตึกก็ได้ตายด้วยให้รถชนก็ได้ตายได้ยิงตัวตายก็ได้ตายได้ผูกคอตายก็ได้ตายด้วยโดดน้ําตายก็ได้ตายได้หลายสิ่งหลายอย่างตายได้ไฟช็อตตายเลยคนเราตายได้หลายอย่างการที่เราหมดกิเลสก็หมดได้หลายอย่าง หมดเพราทานก็ได้หมดุดเพาราศีลก็ได้หมดเพราะสมาธิปัญญาก็ได้หมดถึงว่าทานไม่ใช่ของย่อยเลยทานนี่เป็นถ้าทานถ้าทานเรานี่เข้าใจมันลึกซึ้งแล้วมันสามารถจะละกิเลสได้เลยทานไม่ใช่ว่าหยาบกว่าศีลศีลไม่ใช่ว่าหยาบกว่าสมาธิสมาธิไม่ใช่หยาบ ก, กว่าปัญญาเราสําคัญเรารู้จักใช้อาุปถุงนี้ได้ไหมเราเข้าใจเข้าได้แค่ไหนทานศีลเนี่ยจึงบอกว่ า, วาที่เราให้เนี่ยเหมือนเรา กำลังละกิเลสนั่นคือทานจะกำจัด ก, กิเลสได้ทานที่เราให้ข้าวน้ําอะไรเนี่ยสิ่งไหนก็ช่างทานคือทำให้กิเลสเราไหลออกไปไเพราะมันไหลจนหมดเลยทีไหลออกมันก็ต้องหมดไงไหมพอน้ําในโอ่งเนี่ยนั้นก็ยังหมดด้วยเอาไปเติมเนี่ยมันหมดเพราะมันไหลออกถ้าเรารู้จักให้รู้จักรู้ว่าทานนี่มันนา ก, ก, กิเลสก้ากิเลสก็ต้องไหลออกกําลังใช้นี่เนี่ยมันก็หมดกิเลสเพราะทานนี่แหละเนี่ยนี่คือว่าทานทานนี่ก็ทําให้หมดกิเลสหมดกิเลสเลยไม่เหลือเลย ทานอย่างเดียวนี่แหละเพราะให้ทานนี่ก็เป็นเป็นเป็นสินสมาธิปัญญาด้วยเพราะให้ทานให้ทานประจำเขาเรียกว่าให้ทานเป็นสินใช่ไหมเขาเรียกปกติสินใช่ไหมถ้าเราให้ทานประจําเราเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทานเป็นสินนะเราให้ทานอย่างมั่นคงเราให้ทานเป็นสมาธินะให้ทานแล้วมันสามารถเข้าใจนำกิเลสออกนี่ให้ทานเป็นปัญญานะนั่นการให้ทานเรานี่มีทั้งสินสมาธิปัญญาเลยมันก็ทําไมจึงกาจัดกิเลสไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจสิ ไม่เข้าใจว่าทานมันวิเศษขนาดไหนริงเปรียเหมือนว่าแล้วคนจะตายก็ตายด้วยผูกคอตายก็ได้ตายด้วยอะไรก็ได้ก็คือว่าทานก็ได้ศีลก็ได้ศีล น, นี่ก็สำคัญชัดเลยศีล น, นี่ก็ศีล น, นี่เคยพูดอยู่แต่ที่นี่ไม่ได้พูดเพราะวานจะมาบอกศีลเ น, นี่ยเพราะว่าศีลเ น, นี่ยเอาเอาแค่ง่ายๆนะเอาแค่ข้อมีข้ออะไร ปานาทิปะตะอาทินนาแล้วข้ออาทินนาก็ได้เอาอาทินนาข้อเดียวเนี่ยไปนิพพานแล้วถ้าเข้าใจสินนะนั้นเรามีของดีแต่ไม่รู้จักใช้ไม่เข้าใจด้วยสินข้อสองไปนิพพานได้อย่างไรอาทินนาหมายความว่าไปเอาสิ่งไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราใช่ไหมล่ะคันนี้เรากําลังเอาดีน้ำลงไฟที่ไม่ใช่ของเรามานี่แหละมันจึงไม่เกิด น, นิพพานกําลังผิดศินตลอดเนี่ แม้จะรักษาสินห้าสินแปดสินได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ยังไม่ใช่สินที่เห็นจริงนะถ้าสินที่เห็นจริงก็คือสินที่เราเราจะไม่เอาดินน้ำลงไฟที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นเราพอเข้าใจตรงนี้ตัวตนมันหายไปแล้วเพราะมีสินไงเพราะสินตรงนี้เกิดขึ้นกิเลสตายหมดแล้วเพราะว่าเลิกเลิกทุศินแล้วเลิกอธินนาธาตุอธินนาเอามาเป็นเราพอหยุดหลงดินน้ำลงไฟแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะ ความหมายว่าตัววัตตนอะไรมันหายมันว่างมันเห็นนระตาเห็นนิพพานเลยหยุดการปรุงการแต่งจบเลยหรือยังขยันอีกกลัวจะหมดงานก็เลยว่ามันไม่ใช่นะมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเหตุผลที่มันเห็นแล้วมันจะพ้นเลยนี่คือความหมายว่าศีลข้อนี้อทินนาข้อเดียวนี่แหละถ้าเข้าใจจริงเราเราจะมีศีลละเราจะไม่เอาสิ่งไม่ใช่เราว่าเป็นเราล้วนี่เรากําลังเอาดินนะลงไฟมาเป็นเราเอาก็เลยกลายเป็นว่าผิดศีลไง นี่ปรมตาศินคําว่าศีเลนะนี่พุทธิยันติก็ข้อนี้แหละแต่เราไม่รู้มันอยู่ไหนที่ว่าจะถึงเราจะถึงนิพพานด้วยศินก็คือข้อที่ว่าเราเราจะไม่เห็นผิดอีกแล้วเราจะเลิกเอาดินน้ำลงไฟไม่ใช่งเราเาป็นเราเราจะมีสินแล้วนี่คือปรมัาศินอริยศินสินทีน่เห็นแล้วนิพพานเลยไม่ไม่ช้าไม่ไวเห็นได้มันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเองนี่คือรู้จักศินจริง เข้าใจสินตรงนี้แล้วเป็นปรามาตยเลยนอกนั้นก็เป็นสิน ส, สังคมสินที่ทั่งสมสินที่เราทําให้เราค่อยๆนั้นไปให้มันนนนัั้มแต่มันยังไกลมากนะแต่การที่กลไกของสินจริงๆในการลักอิฐคือตรงนี้เลยมองเห็นดินน้ำลมไฟที่ไม่ถูกหลงแล้วเนี่ยนี่มีสินอะไนี่มีสินไม่ขาดเลยคนนี้พอเห็นความจริงนี่แหละเขาเรียกเห็นสัจจะเห็นนิพานนิพานนั้สติกรยาก็เห็นนิพานเลยเห็นความจริงในนี้ของนิพานว่าเป็นอย่างไร คืออริยสัจจานัทสนังเห็นอริยสัจคือทุกทุกทุกก็จะมาจากเราลงนี่เองลงธาตุลงขันพอหายหลงธาตุทุกมันมาตรงไหนนะทุกมันต้องมีสีที่รับนะกายทุกจิตทุกอะไรเนี่ยพอหายพอมันหายไปแล้วจากรูปจากนามรูปนามดับลงแล้วสุขทุกมันก็ให้ผลไม่ได้มัอนที่ว่าคนตายไม่มีใครไปทวงหนี้ คนเห็นนะนัตตาเห็นนิพพานได้แล้วหยุดเกิดหยุดตายแล้วสบายแล้วใครจะมาเกิดมาตายอีกก็ให้เป็นพระราชาแล้วจะมาเป็นญาจกอีกก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันไม่มีใครแสดงบทนั้นหรอกนั้นเราเห็นถึงนิพพานได้แล้วพ้นเกิดพ้นตายแล้วค่าสิ่ทั้งหลายจบลงแล้ววันคืนเดินปีมันมาลายหายหมดแล้วมันมันไม่มีอะไรเกิดมันไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรทุกข์เป็นอะไรไม่ได้เราไม่ได้เป็นเราเขาไม่ได้เป็นเขาใครไม่เป็ใครไม่มีอะไรจบเรื่องจบมันจบตรงนี้เห็นตรงนี้นี่เห็นนิพพาน ใครเห็นใครเห็น ก, ก็การที่เข้าใจความเข้าใจเรานั่นแหละมันทําให้เห็นเรื่องเรียกวั น, นิพานอันนั้นปัจจิตังนะนอกนั้นก็คิดอเอาเองว่ากันไปอะไรกันไปไม่รู้ <c oughs> นี่แหละนี่คือเรื่องธรรมะท่านยังบอกว่าให้ฟังดีๆแล้วจะเกิดปัญญาฟังดีๆก็ฟังให้เข้าใจความหมายว่านี้หมายความว่าอะไรยังไงเนี่ย <c oughs> พอที่เข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรได้แล้วมันก็รู้เองแหละสมาธิสมาธิสมาธิก็อย่างที่ว่าฟังให้มัน ฟังจดจ้องอยู่ในเหตุผลอันนี้แล้วปัญญามันเห็นความจริงแล้วมันตัดใจมันเรียกว่ามันเรียกว่ามันตัดสินได้เลยเป็นตุลการเป็นผู้พากษาเนี่ยพอประมวลผลไม้เข้าเข้าใจความจริงแล้ตัดสินออกมาเลยว่าใช่แล้วมันไม่ใช่เราใช่เขามันไม่ใช่อะไรแล้วมันไม่ถูกแล้วมันหลงเลิกหลงเลิกกันจบแล้วจบอยู่ตรงนี้พอพอผู้พากษาตัดสินปั๊บว่ามันจบแล้วเป็นเราเป็นเขาไม่ได้อีกทุนนี่คือเห็นนิพพานเลย ปัจจัดต่างที่มันจะอยู่ในกําลังพิจารณาเนี่ยนี่ก็อยู่ในนี่ก็อยู่ในโพชฌงนะนองคตัสลูนะเนี่ยที่โพชฌงโคสติสังขารตัวธรรมานังวิยโยตถาเนี่ยคือโพชฌงก็มีองค์ตัลลูคือว่ามีสติไปในสังขารเนะี่ยที่ท่านกล่าวนี่คือกล่าวถึงถึงถึงธาตุก็หมายถึงรูปถึงนามกันที่เข้าไปมีเวทนาสัญญาอยู่ในรูปรูปกับ น, นามนี่ก็เกิดมาจากอวิชานะ เรื่องรูปหรืนามก็จะไปงงรูปหรือนามก็มาจากวิชาอวิชามันเป็นเป็นเป็นเบื้องหลังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่บอกวิชาสาคัญมันไม่เห็นตัวมันมันไม่เห็นได้สุขทุกข์กเกิดตายวุ่นวายเนี่ยเห็นได้พวกนี้แล้วก็เห็นแล้วก็งงไปไหนไม่ได้แต่อวิชาไม่เห็นไงอวิชามันมันอวิชาอยู่ไหนเขานี่อวิชานะ่ะคือกําลังหลงสิ่งไม่จริงเนี่ยนี่คืออวิชา แต่เราไม่เข้าใจมันเลยก็ยังมาหลงแล้วก็หลงหล ง, ลงแล้วก็หลงอยู่เลยก็เวียนว่ายตายเกิดไมจ่จบปัญหาเดียวกันไม่มีใครแก่หมอก็หมอก็เป็นปัญหาเดียวกันเราหมอก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครรักษาใครก็ไม่ได้แต่ปัญญาเห็นจริงที่ออกจากความยึดลุมลงได้ไมายึดไม่ถือได้แล้วชัดเจนเนี่ยเขาเรียกสมมติปัญญาปัญญาที่ถูกต้องสมมาปัญญาพอเห็นเข้าไปตรงนี้ปัญญามันวิญญาณชัยมันตัดสินได้เลยตรงนี้คือองค์ตัดสิรู้เขาเพียวว่าผู้ชงไง เนี่ยกําลังฟังก็คือว่าสติไปในสังขารไปในธาตุขันธ์ที่พูดแล้วก็เห็นเหตุของรูปของนามเห็นเหตุของการยึดไม่ยึดที่บอกที่เราหลงธาตุแล้วมันเป็นการผิดศีลอะ่ะตรงนี้ก็เป็นกําลังมัดกําลังเจริญนะมัดกําลังเจริญแล้วปัญญากําลังตัดกิเลสกําลังทำํำว่าผิดจริงไหมว่าเห็นจริงผิดจริงจบจริงหลงจริงเลิกหลงจริ ง, ง, รงนิพพานเกิด นี่คือผู้พิพาษาละวนั่นคือปัจจตังที่เรากําลังดูธาตุขันดูความจริงแล้วออกจากความหลงเนี่ยนี่คือธรรมะที่ถึงการตัดสู้ถึงธรรมที่มันหลุดพ้นอยู่ในโพชฌงค์สติสังขารธรรมานังก็คือคือมีมีธรรมัยอยู่มีมีธรรมภาคเพียรไปวิจยะก็วิจัยวิจารณ์วิจัยดูกําลังทําความเข้าใจที่พูดเนี่ยในธาตุขันว่าจริงไหมพูดลงผิดศีลอะ้รเนี่ย พอมันดูอย่างนี้เหล่านี้อยู่วนเวียนอยู่มุ่งมั่นอยู่นี่เป็นอิทธิบาทด้วยฉันทาวิยะจิตตวิมังสามันกําลังเป็นอิทธิบาทอยู่ในในธาตุในสิ่งที่หลงทา่านหรือไม่หลงทา่านกําลังกัณฑกองกำลังไต่สวนอยู่เราก็าตัดสินอยู่ตรงนี้เรียกว่าเกิดเกิดเกิดที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้ว่าฉันทาวิยาจิตตวิมังสาเกิดอิทธิบาทอิทธิบาทก็กําลังทํางานแล้วก็ มันเริ่มทํางานหมดถ้าเกิดโทษชงแล้ ว, วมันจะต้องอยู่ในองค์ของอิทธิบาทด้วยถ้าไม่มีอิทธิบาทก็สําเร็จไม่ได้ฉะนั้นเราก็ดูรูป ด, ด, ด, ด, ดูนามด้วยสติจ ด, จดจ้องมุ่งอยู่ตรงนี้จนเข้าใจละวางลงได้นี่เรียกว่าเรียกว่าโทษชงมันกํลาลังดูเหตุดูผลของขอ ง, ของความหลงแล้วมันจะเกิดความไม่หลงขึ้นปัญญาเห็นจริงขึ้นเนี่ยมันก็ถึงวิมุติเกิดยานทัศนะทัศนะ์ยานทัศนะวิมุติยานทัศนะก็จะเกิด ขยานทัศนาก็เห็นความจริงไปว่ารูปนาเป็นอย่างนี้เราหลงมันมันที่จริงมันไม่ใช่เพราะเอขยานทัศนะเข้าไปเห็นถึงถึงความจริงก็เกิดวิมุตติยานทัศนะคือก็เกิดยานที่อย่างรู้ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยคำว่ายานว่าอะไรนี้ก็เป็นความหมายของการพูดในสิ่งที่ปัญญาเราเข้าไปจัดการเราจะยึดไม่ได้ถ้าเราไปยึดเราก็ไม่เห็นอีกถ้ายึดยานก็หลงอีกยานกิเลสทั้งนั้นเลยยานกิเลสยานตัณหายานอสวาญานผูกมัดลัดตึงไม่ไม่เห็นได้ พวกนี้เป็นดูเป็นความหมายเข้าไปรู้ไปเห็นเราก็ต้องต้องพ้นจากการถือครองครอบครองคือว่าถ้าไม่ครอบครองก็หมดควบคุมนี่เรายังครอบครองหรือถูกควบคุมเนี่ยเราครอบครองว่าเป็นตัวก็ถูกถูก อ, อนิจจังแก่เจ็บตายเพื่อนย้ายไปมาทุกเนี่ยถ้าเราหมดหมดการครอบครองด้วยปัญญาเห็นถึงวินมุตติผลพ้นแล้วเนี่ยเป็นอิสระก็ไม่มีเรื่องมาควบคุมแล้ว ไม่มีเรื่องมาเกิดมาตายมาสุขมาทุกข์เห็นนัน ต, ตาเห็นนิพพานเลยนี่แหละก็กล่าวให้ฟังวันนี้ก็คืออยากจะให้ใช้ปัญญาให้ทําความเข้าใจเรื่องทานสินต่างๆมันก็ละกิเลสได้หมดแต่เราเข้าใจทานสินแค่ไหนทําไปเพื่ออะไรเห็นความหลงหรื อ, อยังเห็นความหลงโดยที่มีอะไรปิดบงังมันก็เห็นไม่หมดที่ไม่หมดเราจะเป็นเชื้อเกิดอีกนั้นเราจรึงว่าเห็นสมมุติทั้งหมดแล้วเราจะเราจะไม่ไม่ถูกหลอ มันว่าอะไรก็เออแต่ไม่ได้ไปกับมันนะมันก็เออหมายความว่ามันเป็นตามโลกสมมติสมมุติสัจจะไม่ใช่ปรามาจารย์พอเข้าใจแล้วไม่ทุกข์ไม่สุข ก, กับมันตรงนี้แล้วก็จะแยกไปสู่ปรามาจาจย์นี่ก็เหมือนที่มัชฌาพูดด้วยประโยชน์สามเนี่ยที่พระพุทธองค์ส่งแสดงไว้ประโยชน์สามอย่างประโยชน์ชาตินี้ทําอะไรก็ทํามหากินออุดก็ประโยชน์นาานออชาตินี้แล้วก็ประโยชน์ที่เรา มีเกิดมามีปา่ามีท้องก็ต้องทํามาหากินมีตัวมี ต, มตนขยันหาข้อหนึ่งเก็บรักษาดีข้อหนึ่งคบคนดีข้อหนึ่งใช้ใจ่ายสมตนนี่พวกนี้จะสบายล่ะขยันหาก็จะมีเงินเก็บรักษาเป็นก็จะมีเงินใช่ไหมล่ะคบคนดีก็จะส่งเสริมเราใครส่งเสริมเราพี่น้องญาติมิตรใครก็ช่างถ้าแนะนําเราที่เหลือแล้วก็ส่งเสริมเราทั้งนั้นแหละแล้วก็ใช้ใจ่ายให้สมตนนี่ก็สบายไม่ใช้หมดเตือนตัวน่ะ แต่ทุกวันนี้เราใช้มากกเกินตัวอีกเลยเลยยากเขาเนี้ยเลยยากเห็นหันไปไหนวิญญาเจ้านี่หลงก็หลงอยู่นั่นแหละก็เลยเราก็เอาข้อนี้มาใช้ในประโยชน์ชาตินี้เนี่ยคือรู้จักหารู้จักเก็บเนี่ยรู้จักใช้ให้พอประมาณเราก็จะมีเงินไปเรื่อยเราก็จะก็จะได้ได้ใช้จ่ายไปตลอดชีวิตตอนนี้ประโยชน์ชาติหน้าก็มีเพราะเรายังต้องเกิดต้องตายกันอีกมันไม่ใช่อยู่ชาติเดียวเราเชื่อกำเราเชื่อ พุเจ้าก็ยังมีพบมีชาติเราถึงได้ทําทานไงให้ทานรักกาสินภาวนานี่คือประโยชน์ชั้นหน้านะประโยชน์ที่เราจะได้ไปไปดีไปไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมอะไรก็ได้เพราะว่าพรมก็คือเจริญสมาธิสมาธิก็คือเนี่ยประโยชน์ภายหน้าที่ก็ลองฝึกกันบางคนก็ได้สมาธิาได้ชานได้เลยเกิดก็ไปเกิดเป็นพรมได้แต่ว่ายังไม่ถึงนิพพานนะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดพรมก็อาจจะตกมาอยู่ที่ต่ําอีกได้เพราะว่าใช้เก่งไง ถูกเราเตอรี่ร้อยล้านไงไหใช่หมดแล้วเห็นคขาว่าข่าวกันเห็นไหมใช่เก่งหาไม่เก่งแต่ฟุกอะไรเงี้ยนี่เราก็จะต้องเราจะต้องรู้ว่าพวกนี้มันเป็นประโยชน์ภายหน้าและยังมีประโยชน์อีกคือปรมาต์ประโยชน์ก็อย่างที่บอกว่าพิจารณาปฏิบัติให้เห็นความจริงที่หลงแล้วไม่หลงที่หลงแล้วไม่ให้มันหลงไม่ให้มันยึดแม่้มัน ยดเยอยืดยาวไปไม่จบสิ้นในทางทางเขาเรียกว่าเนิ่นช้าเนี่ยเนิ่นช้าทุกเวลานาทีเนิ่นช้าคำนี้อาจจะเป็นหมื่นแสนล้านพบก็ได้หน้าเห็นไหมหน้าลหน้าลาบากหน้าเหนื่อยมากงั้นมาเข้าใจต้นสายไปเห็นมันช่วยยุติ พมสิ้นพบจบชาติไม่เวียนว่ายตเกิดใครจะเป็นบ้าดินใครจะเป็นบ้าน้ําใครจะเป็นบ้าลมใครจะเป็นบ้าไฟรับใช้มันเวียนว่ายตายเกิดโกรธโลภหลงจนกว่าจะหมดลมหายใจนี้มันคยากขนาดไหนมันโง่ขนาดไหนก็เอามาพูดจนเรามันเลิกมันเลิกเชื่อมันเลิกบ้ามันเลิกวิ่งไปตามอะไรทุกสิ่งมันจะหยุดหมดเไม่ว่ามันหยุดหมดมันพ้นหมดมันจบแล้วตรงนี้ดีกว่าบทเพลงนี้น่าสนใจเพลงที่เห็นถึงความไม่หลงเห็นถึงความแม่อะไรหลอกได้อีก แต่ทุกวันนี้มันมีเพลงฮิตก็คือเกิดแก่เจ็บตายโรคกรดหลงวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นเพลงฮิตเคยฮิตที่สุดเรามาลองเพลงใหม่กันเนี่ยไม่หลงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสบายแล้วเราเนี่ยมีเพลงให้มันเป็นเพลงฮิตแล้วก็จะสบายอันนี้ไม่ต้องร้องหาแล้วไอ้ทุกข์มันไม่มีทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของความหลงงั้นให้ใช้ปัญญาให้เข้าใจเรื่องธรรมะกันนี่แหละจึงสรุปแล้วว่าเราต้องทํา จเจริญสติปัญญากันบ้างมีตัวก็ให้รู้จักตัวไม่ใช่มีตัวก็พาให้เวีนว่ายตายเกิดมีตัวก็สร้างปัญหาปัญหามันมีอยู่แล้วทํามากินก็เหน็ดเหนื่อยแต่ว่ามาหลงสิ่งไม่มีอยู่นี่มันเป็นบ้าไหมตรงนี้ที่ยังไม่แจ้งนะตรงนี้เรากําลังอยู่ในความหลงแล้วก็หลงไปดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไอสิ่งที่มันไม่จริงแต่มาว่าจริงไม่หลงไม่ใช่ว่าใช่กาลังบุญวายตายเกิดกันอยู่เนี่ยมันอะไรที่มันยึดดินน้ำลมไฟเนี่ยรู้จักดินน้ำลมไฟไหมมันเป็นธาต มันเป็นเราได้อย่างไรมามาตื่นมาทําความให้แจ้งมารู้จักกับมันบ้างอยู่กันมาจนแก่จนเท่าจนหนังเหี่ยวหนังยานยังไม่รู้จักดีนั่นรถไฟเลยเนี่ยก็เลยไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะว่าเราไม่ได้สดับไม่ได้ฟังทำไม่ได้เข้าใจนี่จิงว่าที่ว่ามีอยนี่สงห้าอย่างเลยฟังสิ่งไม่เคยได้ฟังตรงเนี้ยอาจจะไม่เคยได้ฟังเลยก็ได้ฟังแล้วแนวทางความคิดความเข้าใจว่ามันติดยังไงมันทนกยังไงที่ท่านพูดเนี่ยถ้าเราสนใจเราก็จะได้แนวได้ได้ ลายแทงแล้วได้ขุมทรัพย์ได้อมตะอมฤลุดแหละที่จะทําให้เราไปสู่ความไม่ตายนั่นนี่คือได้ฟังสิ่งไม่เคยได้ฟังตอนแรกท่านก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยข้อนี้เขาว่ายังไงทําไมเขาพูดอย่างนั้นคนแล้วก็ฟังทำมาทางนั้นน่ะทำไมว่าไม่เคยได้ฟังแต่ว่ามันก็เลยพิจารณาโอ้ฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่ได้เรื่องฟังแล้วไม่รู้ความจริงอ่ะพอมาฟังรู้ความจริงนี่มันมันใช่เลยเน้อฟังสิ่งไม่เคยได้ฟังฟังมาแล้วไม่ชัดก็ชัดขึ้นนี่ ชัดขึ้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไงชัดขึ้นทำความเห็นให้ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อ่หายสงสัยเรื่องต่างๆแล้วเขาเนี่ยอะไรๆหายสงสัยแล้วกิเลสทัญหาอะไรเนี่ยไม่สงสัยกับมันแล้วเพราะมันมันหลอกทางนั้นแหละแล้วเขาดีพอเข้าใจงั้นหาทางละวางอย่างเดียวทําดีละชั่วจิตโปร่งใสขึ้นเห็นนิพพานสินี่คืออานิสงส์ห้าคือฟังสิ่งไม่เคยได้ฟังฟังแล้วไม่ชัดชัดขึ้นทำความัน หายสงสัยทําความเห็นถูกต้องจิตผ่องใสนี่จิตผ่องใสนี่ก็มีสองอย่างหนึ่งผ่องใสโดยคุณความดีท่านได้ทําดีแล้วทาบุญทาทานกระินพระป่าบนลูปบนหลานนี่ก็อันนี้ก็เรียกว่าผ่องไสอันหนึ่งผ่องใสอีกอย่างหนึ่งจิตสงบเป็นสมาธิถึงฌานสี่ฌานแปดเลยเนี้ยก็ถือว่านี่ก็ผงองใสหนึ่งแต่ผ่องใสสูงสุดในในความว่าผ่องใสนี้คือจิตหลุดพ้นหรือว่ามันหลุดพ้นจากอาสวะเรียกจิตเรียกอะไรก็เรียกเวอยาปยุทธมันแล้วกัน ถ้าถ้าหากไม่เอามาพูดจะไปรู้อะไรกันดินน้ำนไฟก็าจะเอามาเป็นเราไหมก็เอามาพูดฉะนั้นธรรมะเนี่ยจริงๆดินน้ำน้ไฟมันไม่ใช่ที่สุดนะดินน้ำนไฟนี่ก็ถูกอุปโลกมาพูดกันอีกนะในคําสอนพระเจ้านี่ดินน้ําไฟนี่ถูกยกขึ้นมาพูดโดยโดยสมมุตินะถ้าไม่ได้สมมติแล้วดินน้ำนไฟก็ไม่มีอีกนันมันลึกไปอีกในพวกเราถึงว่าเรามองให้เห็นดินน้ำน้ไฟที่ไม่หลงซะก่อนแล้วเราถึงจะมองเห็นดินน้ําไฟที่ว่างไปเลยนั้นดินน้ําไฟก็ถูกยกมาเหมือนเรากําลังหลงสิ่่งงไมจริะ <accomp agn surrounds> <ened> เมื่อเราลงสิ่งไปจริงก็เป็นจริงเหมือมนวิเราจริงถ้าเราเห็นแล้วเราเลิกลงได้ดินน้ำไฟมันก็หายไปเลยมันหายขนาดนั้นจริงถึงถึงสุญญาตาถึงอนัตตนี่เรียกว่าเห็นนิพพานถึงว่ามีนิพพานสองเลยนิพพานหนึ่งนิพพานสองใช่ไหมในในตําราก็มีอย่างนั้นท่องเป็นอย่างนั้นนิพพานหนึ่งคืออะไรเราก็จะเริ่มหงนิพพานหนึ่งคือเราเห็นจริงอย่างที่บอกแล้วมันมันพ้นทุกข์แต่มันมีมันมีตัวตนอยู่มันมีอะไรอยู่เนี้ย แต่เห็นจริงแล้วก็ไม่ได้ยึดไม่ทุกข์กับมันเนี่ยเห็นชัดย่างงั้นก็เรยวนิพพานหนึ่งพรนิพพานก็ครับทําให้เรานิพพานแล้วเรื่องพวกนี้มันก็อยู่ไปตามเหตุที่ไม่ได้เข้าไปหลงอีกเหมือนสิ่งเคยหลงเคยมีวากระเนื้อแต่มันไม่มีไปหลงแล้วเนี่ยถ้าเห็นชัด ง, งี้มันตรงนี้ก็ทําให้เห็นนิพพานแล้วเรื่อนิพพานหนึ่งแต่นิพพานสองอย่างที่บอกมันไม่มีอะไรมันไม่ได้มีมันไม่มีอะไรอีกมันออกไปจากความหลงแล้วและที่จะให้เหลืออยู่ก็ไม่มีเหมือนคนตายที่นอนหลอกนนี้ิพก็ คนตายที่ถูกเผาไปแล้วก็คือนิพพานสองคือไม่มีซากหลอกอีกคือโลกรโลกระธาโลกอะไรมันหายหมดแล้วเนี่ยนี่คือนิพพานสองหมายถึงแต่ว่ามันทนทุกข์เหมือนกันแต่ปัญญามันยังติดกันอยู่นิพพานหนึ่งปัญญายังติดอยู่ที่ว่ามีมีซากมีอะไรมาหลอกอยู่เหมือนมีโลกกรธาเ น, นี่แหละเรียกซากนั่นแหละ แต่นินพนธ์สองมันโลกธาตุมันไม่มีแล้วยังเข้าใจพิงดิโนนไฟถูกยกมาพูดเฉยโดยความหลงเลิกหลงมันก็หมดเราก็หมดโลกธาตุมันก็จะว่างหมดเรียกว่าสุญญาตาอนัตตาเขาเรียกไปอย่างนั้นจริงมันเรียกอะไรพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนิพานสองต่างกันแค่ว่าการเห็นที่หมดแล้วแต่ยังมีอะไรอยู่กับการเห็นที่หมดแล้วก็หมดเลยเราก็ไม่มีมันก็ไม่มีเนี่ยนั่นคือนิพานสองนิพานอย่างนั้นในท่านเขาจะเรียกว่านิพาน นิพพานถ้าเราจะพูดตามเหตุคือนิพพานแบบพุทธะก็ได้นิพพานหนึ่งก่อนนิพพานแบบสาวกเพราะอะไรถึงเรียกว่าสาวกเพราะนิพพานหนึ่งจะมีธาตุขันมาเป็นครูให้เรากล่าวถึงอยู่เนี่ยเนียกล่าวถึงอยู่ว่ายังมีธาตุมีขันอยู่นินมีโลกมีอะไรเนี่ยนี่คือมันเป็นครูมันเป็นที่เรียนรู้ไงแต่นิพพานสองมันไม่มีธาตุขันแล้วไงพระพุทธองค์ก็เห็นเพราะพระพุทธองค์ลงปัญญาละเอียดสุดจึ่งเห็นตอนนิพพานหนึ่งก่อนแล้วก็เห็นนิพพานสอง เพั้พระองค์จึงสแสดงไว้ถึงนิพพานหนึ่งนิพพานสองเพราะว่าถ้าพระพูทธองไม่แสดงแล้วใครจะมาแสดงล่ะเพราะฉะนั้นพระพุองต้องเห็นนิพพานหนึ่งเป็นอย่างนี้ต้องเห็นนิพพานสองเนี่ยฉะนั้นท่านก็ขยายความว่านิพพานหนึ่งมันเห็นขนาดนี้ที่มันยังมีอะไรอยู่จริงว่ามันมีมันมีโลกธาตุหลอกอยู่เหมือนคนตายแลแ้วจะนอนหลอกอะ่ะบนผอมก็นอนหลอกสิ่งนั้นมันเห็นไปไม่ได้เลยถ้าเราอยู่แค่นี้ แต่ถ้ามาละเอียดเขาไปอีกมองเห็นว่าเออเราเคยเราไม่มีแต่เราไปหลงว่ามีพราเราเราว่าเรามีแต่เราเห็นหมดแล้วเราไม่มีแล้วเราทําไมเคยมีทําไมไม่มีได้มันก็ย้อนไปดูตรงที่เห็นนั่นแหละไปเห็นธาตุอีกเอาธาตุมันก็ไม่มีเหมือนกันเพราะเราว่าธาตุเป็นเราเราเป็นธาตุธาตุป็นธาตุถ้ามีเรามีธาตุมีธาตุมีเราพอเราหมดธาตุก็ต้องหมดมันก็จะมันก็จะมองออกไปอีกเลยก็นี้การเห็นอันนั้นมันรวบรัดมาเห็นถึงที่สุดพอเห็นแล้วเกี้ยงไปทั้งธาตุเลย เห็นตอนแรกมันก็อยู่ที่อุปทานหายไปเนี่ยมันเห็นผ่านกันอย่างนีด้เดียวนั้นนี่แหละการเห็นอย่างนั้นมันไม่มียกธาตุขันอะไรมาอ้างแล้วเลยไม่มีครูมีอะไรจึงเรียกว่าเห็นแบบเห็นแบบพุท ธ, ธะเห็นแบบสาวกแต่แค่เป็นเหตุปัจจัยที่เฉยถ้าสาวกเห็นไปอีกก็อย่างว่าก็ถึงพุทธะเหมือนกันนี่คือนิพพานหนึ่งนิพพานสองที่ไม่เข้าใจได้เลยแต่ตอนนั้นไปเรียนนักธรรมเขาก็พูดท่านก็รู้ละ พอพอเห็นนิพพานสองรู้ละว่าเป็นยังไงเพราะเรานะมองเห็นแล้วไงแต่ไปเรียนนะ่ะกุปชาก็ให้เรียนอย่างเก่า เ, เขาไม่รู้อะไรหรอกว่าเราเห็นอะไรด้วยเขาให้ไปเรียนนักทําตีโทอกีกไปทําเห็นนิพพานสองท่านก็รู้เลยว่านี่มันคืออะไรเนี่ยแต่เวลาตอบพวกท่าตอบตามนั้นแหละไม่งั้นตอบไม่ได้ตอบว่าอย่างนี้อย่างนี้จริ ง, รงมันมันมันเข้าใจไม่ได้ง่ายๆเดียวคือพูดเนี่ยให้เอาไปคิดเพราะสิ่งนี้มันมันยากมาก มันยากที่จะเข้าใจได้น 1, 1, 1, 2, ิพันหนึ่งนิพันธ์สองแต่มันมีในตำรา ม, มีให้นราเรียนแล้วก็มันก็อยู่ในความหมายที่ท่านว่าเนี่ยพอท่านมองไปอย่างนั้นก็พูดให้ฟังว่ามันเป็นแบบนั้นแหละเขาที่เขาเรียกอย่างนั้นเราตรงนี้เราก็ไปปฏิบัติยังไงให้ให้เข้าใจให้ทําดีให้ได้ก่อนให้สงบก่อนให้เห็นอย่าไปตามโลกอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องเบาๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้ต้งที่มันหลอกน่ะมันหลอกทั้งหมดเลยคนที่มาหลอกเราเนี่ยสามวันเจ็ดวันอ่ะ เขาจะพูดเรื่องจริงไหมไม่มีใช่ไหมล่ะที่มาโฆษณาว่าจะขายอะไรต่ออะไรมาบ้านเรามาอย่งเงี้ยมาซื้อที่ซื้อทั้งอย่างเงี้ที่ว่าขายที่อะไรที่ทิปอะไรนะ่ะทางเชียงมงเชียงใหม่พวกนี้มาหลอกเราสามวันเจ็ดวันคําพูดทุกคําไม่มีความจริงเลยนะไอ้นี่ที่เราหลงก็ไม่ใช่ไม่จริงทักอย่างเนี่ยเราหลงเราวุ่นวายเราไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้รับใช้มันทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยรับใช้มันแล้วไม่ได้ค่าจ้างนะยุง เดี๋ยวมันพาให้ไปเข้าห้องน้ำมันพาให้ไปถ่ายมันพาให้ไปหลับไปตื่นไปเที่ยวไปนั่นปั่นหัวเราสารพัดเรื่องเลยทําไมจะไม่วุ่นวายเนี่ยกิเลสอวิชชาตัวสําคัญเนี่ยก็จะสรูปว่าให้เราไปปฏิบัติพิจารณากันแล้วก็พูดเรื่องทาง่าเรั่องศีลเรื่องอะไรมันอยู่ในกัลยากิเลสหมดแล้วก็ครนี้จะ ส, สรุปว่าบุญเนี่ยคือความดีนะยมบุญนี่คือความดี บุญนี้คือ น, นี่แหละให้ทานรักษาศีลภาวนาอะไรเนี่ยก็เรียกว่าบุญเพราะว่าบุญนี่คือความดีความดีมันก็ดีแหละดียังไงก็ความดีก็คือจะให้ผลไปตามลาดับบุญคือความดีหมายว่าความดีทั้งหลายคือบุญทานศีลภาวนาเนี่ยบุญเนี่ยคือความดีความดีก็คือสิ่งที่ให้ผลไปตามลาดับคําว่าให้ผลไปตามลําดับหมายความว่าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นอะไรไปเนี่ยให้ผลลาดับแล้วจนถึงนิพพานเนี่ยนี่คือ ความดีบุญคือความดีความดีก็จะให้ผลประจํามดับไปตามดับก็ไปถึงบุญกุศลมาผลนิพพานอันน้เราเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราทํำนี่ความดีทัง้งหลายคือนี่ละบุญบุญคือความดีความดีก็จะให้ผลไปอย่างที่ว่าเกิดดีอะไรดีจนถึงนิพพานแหละนี่นี่คือความหมายของการทําบุญเพื่อล่ากิเลสแลกกิเลสมันก็คือความหลง ถ้าไม่ลงได้มันหมดกิเลสนะโยมไม่มีอะไรหรอกพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแหละลงไปพูดกับขวดน้ํารู้ไหมเสื้อผ้าเราใส่มาก็ยังไม่รู้เลยพูดกับตัวเราเนี่ยถ้าไม่หลงก็ไม่รู้อีกไม่รู้มันจะพูดกับเราไหมเนี่ยแล้วแล้วใครบ้าก็ไม่รู้นะเคยว่าไอ้บ้ากไอ้นใะไอ้บ้าก็คือกิเลสตัณหาไงไอ้บ้าคือตัวเราธาตุเนี่ยนั่งบ้าอยู่ไอ้ใบเออไอ้เราเรานั่งกันอยู่ไอ้ธาตุสี่ไอ้ใบนั่นนี่ไอ้บ้าก็อารมณ์หลง คนนี้มันก็แยกกันไอ้ไอ้ไอ้บ้า้ก็ว่าของมันไอ้บ้าก็ว่าของมันนี่เขาไม่รู้ของใครนะคนนี้นี่แหละทาาท่าที่เราไม่ถูกหลงมันก็เฉยอยู่นะอีกอย่างหนึ่งที่ท่านตัวพูดให้ฟังเรื่องการใช้ท่าเนี่ยถ้าเราถ้าเราเห็นท่าจริงด้วยปัญญาแล้วมันเป็นผลแล้วทําให้เราเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะใช้ท่าได้เลยเนี่ยตอนนี้ท่านอ่ะท่านเอาเอาเล็บเทศนะโยม มันดังไหมไม่ดังโยมก เ, เราเลี้ยฟังนี่ดังไหมเห็นไหมนี่คือการใช้ปัญญาโดยโลงธาตุโดยเป็นธาตุที่ไม่ถูกเข้าไปยึดนะมันจะเป็นนิโรธเลยนี่คือเสียงจะดับหมดรูปตาละตานี่ลงตาเนี้ก็ไม่ได้เห็นแล้วนะตาก็ไม่เห็นเลยโยมก็ไม่ได้เห็นท่างก็ไม่เห็นเสียงก็หายรูปว่านี่ก็เลือยกว่ารูปดับเสียงดับโดยวิปัสนาโดยใช้ธาตุตรงนี้เลยตัวตัวตัวสําคัญที่มันเป็นตัว กิเลสเข้าไม่ถึงกิเลสมืดบอดหมดละมันมันหยุดสั่งการแล้วนี่คือนี่คือนิโรธเอาธาตุที่ถูกปัญญาปัญญาเข้าไปเข้าใจแล้วมันธาตุนี่มันจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เลยตอนนี้ท่านเอาเอาเล็บเทศเงียบนยมเาเล็บฟังเงียบนี่คือนิโรธเสียงนิโรธแล้วก็ไม่เห็นกันนี่ก็รูปนิโรธรูปเสียงกิน โ, โรธโผสภาวะธรรมอารมณ์มันก็เป็นนิโรธเลยนี่คือเห็นนิพพานอยู่ในในเลย แล้วอะไรจะเข้ามาสู่เราไม่ได้มันเป็นของแปลกปลอมดงนั้นเหมือนเหมือนตัวเราเนี่ยที่ว่าที่ว่าอะไรแอนติบอดีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ให้อะไรแปลกปลอมเข้ามาที่มันกำจัดได้มันก็จะกำจัดไปหมดพอปัญญาเรามองเห็นความจริงในธาตุแล้วมันไม่หลงแล้วมันก็จัดการทิงที่มาลอกเลยสบายเลยคันนี้สบายเลยเนี่ยนี่คือเรื่องสบายนี่แล้วก็จะ นี่ก็พงษ์เฉพาะเข้าใจกันแล้วแล้วจะพูดเรื่องรูปนามอีกสักนิดหน่อยว่ามันเป็นเรื่องที่รูปคำว่ารูปคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่มาล้วที่เราคือตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนะนามคือเวทนาสัญาญาสังขวิญญาณเนี่ยรูปหนึ่งนามสี่รวมเป็นขันห้าสองอย่างนี้มันถูกก ว, วิชาจัดสรรมานะโยมนั่นแต่เราปฏิบัติแล้วถ้ายังไม่เห็นจริงๆเรามักจะอยู่กับกายแล้วก็ไปอยู่กับจิต แค่ น, นั้นพอพอกายตายก็ไปหาจิต ล, ละก็กายไม่จบเพราะอะไรถึงจิตไม่จบเพราะว่ากายนี้ยังไม่ถูกตัดขาดกายยังถูกหมายมั่นอยู่กายอุปทานกายมันก็ไปอยู่ที่จิตเลยกลายเป็นว่าเหมือนว่าจิตก็ไม่ตายจิตก็เป็นของเราอะไรไม่ใช่กายนี้มันใช้ไม่ได้โดยที่เมื่อเราตายแล้วมนุษย์มันเฉลยแล้วสิ่งที่เราไปถือจิตจริงเราก็ยังเห็นกายไม่ขาด การอุปทานในกายมีอยู่มันก็เลยไปอยู่กับจิตไปอยู่กับจิตก็จิตเป็นจริงก็ก็เท่ากับเยอะอันเก่าอันเดิมเลยเหมือนว่าไม่จบทันี้อะไรให้ให้เข้าใจนั่นว่ากายเห็นเป็นธาตุซะมันหมดปัญหาแล้วธาตุมันก็จบแค่ธาตุมันไม่เป็นรูเป็นน้ำไปอีกมันจบตรงนี้ครวนี้ไม่จบเพราะว่าอุทานกายไปหมดมันก็เป็นออกไปสู่จิตสู่อะไรก็เลยกลายเป็นว่าจิตเมืองแย่มืองไม่มาไม่หมดไปใหญ่เลยไม่ใช่มันมันไม่ใช่ท่านยังอธิบายว่า กายรูปกับน้ำเนี่ยมันอันเดียวกันมาจากความหลงนั่นเองถ้าเลิกหลงเลิกกันเลยรูปน้ำเนี่ยธาตุก็อยู่ไปตามสมมติธาตุมาแล้วไม่ใช่เขาไปเอาธาตุเปเราอีกคำ ว, ว่าเราประธานเราก็จบน้ำก็ดับในธรรมะยังว่ารูปรูปน้ำสินิโรธรูปน้ำเป็น น, นัตตาไงรูปและน้ำก็เป็นนิโรธรูปแล้วน้ำนี่ก็เป็นอนัตตาเนี่ยไหมั้นรูปก็คือกายน้ำก็คือจิตรูปกับน้ำดับลงแล้วด้วยปัญญาเนี่ยมันเห็นตรงนี้จบตรงนี้เลยะนั้นไม่โดดเปไหนว่าไหนแล้วไม่ใช่กบที่เขียด มันมันยังหลงงั้นถ้าดูลูกจนสิ้นซากจบลงแล้วน้ําก็ดับไม่ไปไหนแล้ะเพราะว่าลูกพนามันถูกอวิชาหลอกมาอีกทีหนึ่งสอให้เราเชื่อแล้วก็กํากับเหมือนเหมือนมากเหมือนมากเหมือนตัวมากในกระดาษน่ะมันถูกโขกจนบินจนหักเพราะว่ามันไม่ได้เล่นเองโยมไม่รู้ใครมาจับมันเล่นอวิชานั่นแหละมันโขกกันอยู่น่ะกินกันอะไรกันอยู่จริงๆแล้วความคิดนึกปรุงแต่งเราก็ถูกอวิชามัน กลักับทําให้เป็นไปทั้งทั้งที่มันไม่ได้อยากเล่นนะมันก็เล่นอยู่นั่นแหละซ้สำซากเพราะาตัวมันไม่ได้เล่นไม่รู้ใครมาจับมันนะอ่ะอวิชานะหลอกเราอยู่ที่ว่าเป็นเราเป็นเขาเว้นว่าแต่เกิดไม่ใช่ตัวเขาเองหรอกนั้นหาตัวตนจริงๆมันไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่มีทั้งรูปมันต้องดับลงด้วยความรู้เท่าน้ําก็ดับพร้อมเพราะรูปสร้างน้ำน้ำสร้างรูปวนเวียนกันอยู่เพราะวิชานั่นเองน้ำทั้งรูปก็สร้างกันเนี่ย หลวงพดุลย์ยงว่ามีรูปก็มีนามมีนามก็มีรูปเหมือนว่าจักรวาลมันมีการหมุนใช่ไหมมีพลังงานก็ดึงไปดึงมารูปเป็นนามนามเป็นรูปสสารต่งางๆก็อันนี้ก็เป็นตัวหลอกเหมือนกันเหมือนเราหลงยึดเนี่ยทั้นั้นจักรวาลทั้งหลายไม่มีเราโ ย, ยมท่านเราเห็นอนัตตาแล้วสัรพสิ่งอันตฐานเลยสัรพสิ่งอันตฐานเลยนั่นนิพพานเกิดเห็นระดับนั้นทึงจะเข้าใจนิพพานจริงมันไม่มีที่ไปที่มาแล้วนะถ้ า, ถ า, ถาสรรพสิ่งอันตฐานได้เนี่ยมันจบแล้วนะ นั่นคือไม่ต้องไปวิ่งไปหาแร้วหมื่นปีแสงล้านปีแสงมันยาวเกินไปไม่รู้จะไปทําไมเนี่ยแค่ตรงนี้ก็แยกกันแล้วจะไปไนั่งกันอีกก็เรียกกิเลมันวิจิตทําไมกิเลวิจิตเขาเรียกว่าเพราะสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตก็เพราะว่าอาวิชายแหละมันหลอกเราเต็มที่เต็มรูปเต็มนะเต็มแบบทันรูปลูอบเหมือนมูดรูปเหมือนไม้เนี่ยนามเหมือนน้าหนักของไม้รูปเหมือนผ้าไตนามเหมือนน้าหนักของผ้าไตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเห็นไหม ถ้ารูปหายน้ำก็ไม่มีถ้ารูปถูกรู้เข้าใจคือกายเนี่ยรู้ชัดว่ารูปมันดับน้ำรูปไม่สร้างน้ำคําว่าน้ำว่าจิตใจมันจบแล้วนี่มันอยู่ด้วยกันในนี่เราพอเราแยกไปไม่เป็นอะไรถ้าถือว่าอย่าไปแยกรูปมันน้ำไปไม่ไปไม่ถูกหรอกเพราะมันจบด้วยกันเพราะเรายังไม่เห็นรูปแล้ยมันรูปสร้างน้ำก็ไปด้วยเลยทั้งทั้งไม่มีอะไรสักอย่างงั้นมารู้ต้นต่อวิชาแล้วรูปน้ำดับจบกันเลยเนี่ย คนนี้พอพูดเรื่องสำคัญสำคัญในฝักเรื่องรูปปรนามพิจารณาอย่างไรเรื่องบุญกุศลทําไงมันจะหมดกิเลสจริงๆมันหลงอะไรตรงไหนที่สําคัญเราจะนิพพานกันเป็นไหมเนี่ยเขาจะสนใจไหมมันไม่ยากไม่ง่ายนะเข้าใจได้รู้เลยนี่ทีบอกว่าสุดสั้นละพระเทวัญยัปัญญาไปสุชตินะ่พะพอฟังดีๆปัญญ า, าเกิดเกิดถึงความบริสุทธิถึงนิพพานเลยหรือที่ยกเป็นข้อขึ้นมาเบื้องต้นว่าศัทธาญาติโอคังอ่ะ ศรัทธาญาติก็คือความเชื่อในการตัดรูปพุทธเจ้าว่าพระองค์ออกจากโลกเ ว, ว้นว่าจะเกิดได้จริงออกจากทุกข์ได้จริงพระองค์ทําได้แล้วมาสอนเราเนี่ยพอเชื่อพระคเราก็ปฏิบัติตามเนี่ยศรัทธายะตศรัทธาในบุญในบาศรัทธาในมรรผลนิพพานเนี่ยศรัทธาที่ถูกต้องอัปมาเดนะอัญว า, างคือไม่ประมาทพอศรัทธาแล้วไม่ประมาทแม้บะมายก็ต้องเล่งทําดีแล้วก็ละกิเลสนี่คือไม่ประมาทถ้าทําไม่ดีแล้วกิเลสก็ไม่ละนี่มันก็ประมาทนะ เมื่อประมาทแล้วประมาทนี่ก็ไปสู่ความตายเช่นว่าทัา่วประมาตประมาโทมัจจุโนโปะทงังคือว่าความประมาททาไปสู่นําไปสู่ความตายเป็นทางความตายอาประมาตัวเอามาตังปะทงังการไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายเี่ยพอเรามาเห็นเข้าใจเลิกแล้วระวางนี่ไม่ประมาทไม่ตายหมดกิเลสนี่แหละคือว่า ไม่ให้ประมาทอย่างที่ข้อที่ว่าอาปรมาเดนะอัญญวังอัญญาวังก็อ่นนบพ่วงน้ําที่เราจะเป็นไหวไตเกินนี่แหละหวงกิเลสตัณหาพอเราศรัทธาพระเจ้าแล้วไม่ประมาทก็ต้องปฏิบัติศรัทธายาตจรติโอคังอาประมาเดนะอัญญวังคือคือศรัทธาในพระเจ้าแล้วไม่ประมาทว่าเรามีความสุขมีทุกอยู่มีเงินมีทองอยู่เราแข็งแรงอยู่เรายังไม่นั่งก็ประมาทไม่ทําบุญทำทานไม่ปฏิบัติรอแก่ก่อนนะหนุ่มยังไม่ปฏิบัติแต่แก่มันจะปฏิบัติไหวไหมนั่นนี่คือการประมาท ถ้าไม่ประมาทก็ไปไม่ประมาทในวัยในอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็เร่งปฏิบัติภาวนาเราก็จะไปถึงมรรคนิพพานอย่างที่ว่าศรัท ธ, ธาไม่ประมาทแล้วก็มีความเพียรวิริยทุกรร ม, มาเจติเพียรภาคเพียรเพื่อลากิเลสให้ท่าให้ไว้ที่สุดเนี่ยให้มันคิดปั๊บพ้นเลยไม่ต้องเป็นรอวันรอพวกมันมันกินตัะกินใจลราหมดแล้ววินาทีหนึ่งมันก็หลอกพอศรัท ธ, ธาไม่ประมาทแล้วก็ภาคเพียรวิริยะภาคเพียร แล้วก็เกิดปัญญาก็เกิดแล้วพอคนเราศรัทธาไม่ประมาทเท่าเกลียงมุ่งมั่นแล้วปัญญาที่แท้จริงมันก็จะออกมาปัญญาที่ว่าการหลุดกังพนก็จะเกิดแล้วปัญญายาไปสุดจติข้อสุดท้ายนะ <c oughs> ที่กล่าวเป็นเบื้องต้นว่าศรัทธายะเตรติโอคังอปมาเดนะอัญญวังวิเดเยทุกขวัตเกติปัญญายาไปสุดจิตติคือพอปัญญาเกิดแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์ก็อย่างที่ว่าถึงนิพพาน ถึงความดับทุกสิ้นสิ้นทุกไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรถ้ามีอะไรมันก็มีอะไรทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรก็ว่ามีอะไรกันอยู่นี่แหละนั้นให้เห็นความไม่มีกันให้ได้ก็จบแล้วแหละแต่ว่ามีนะมันต้องทำมาหากิน น, นั่นอันหนึง่งต้องทํากันไปอย่างนั้นแหละแต่อย่าไปไปทุ่มเทจนไปทุกไปตามมันอย่างไม่จบไม่สิ้นเจอไปทุ่มเทก็มันสิ่งหลอกลวงจนแก้ปัญหาไม่ได้ เราไปกับมันตามสมมุติอย่งที่บอกอะสมมติสัจจะปรามาตัตะสัจจะเราจะรู้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชนะแล้วรู้ปราตะประโยชน์ด้วยอันนี้จะรู้ประโยชน์จริงได้ประโยชน์จริงาการแสดงมาก็คงจะสมควรเวลาเดชได้ไปทํางานทําการอีกอชั่วโมงนึงแล้วบ้างนะบ่ายหนึ่งแล้วแหละให้เ อ, เอาไปาให้ได้ประโยชน์กันนะ